นำรัต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์จตุวัตรลีตะกรูนะครับกล่าวเทศนาในเช้าวันนี้ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสได้มาเผยพระชาติธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็เหมือนที่ผู้ น, นํานวสการได้บอกไปนะครับ่นะวันนี้เป็นท่านผูน้อำนวยการนะครับแต่บัดีท่านติดภารกิจนะครับประชุมใน ต, ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ท่านผู้อำนวยการรับหน้าที่หลายตําแหน่งมากนะครับตอนนี้ที่โรงเรียนท่านก็ดํารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการนะครับตอนนี้ก็มีผู้อำนวยการท่านใหม่มานะครับก็ตอนนี้ท่านก็รับตําแหน่งอีกตำแหน่งเป็นประลัด ส, สํานักเลขาธิการนะครับของสภากริ จ, จักรในประเทศไทยนะครับก็ kap. ต้องเดินทางไปตา่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยนะครับก็ ขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ท่านก็ส่งข้อความมาบอกว่าให้มานำพระเจ้าธรรมของเจ้าที่คริสจักคริสคอนุกูลก็ยินดีนะครับในการที่จะมานํำพระเจ้าธรรมที่จะหนุนจิตชูใจนะครับในเช้าวันนี้นะครับในเช้านี้อยากจะให้ทุกท่านได้ดูพระเจ้าธรรมของเจ้าด้วยกันอยู่ในพระธรรม1ยอนนะครับพระธรรม1ย่อนบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่21่อยอน บทที่4ข้อที่7นะครับจนถึงข้อที่21ในหัวข้อว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับเมื่อพบแล้วเราจะมีโอกาสที่จะดูพร ะ, พระเจ้าทารมของเจ้าตอนนี้ไปพ ร, พร้อมๆกันนะครับท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มีใช่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระเจ้าทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราทานทีรักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราเพราะพระองค์ได้ทรงโประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เราและเราทั้งหลายได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นผู้ช่วยให้ช่วยมนุษย์โลกให้รอดผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงสถิตยอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราและพระเจ้าทรงเป็นความรักผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในผู้นั้นในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพีภาคษาเพราะว่าพระองค์ทรงเเช่นไรเราทั้งหลายในโลกก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าผูดด้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้เพราะประยัดนี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยขอเราได้สงบใจอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของหลายทุกคนที่พระองค์ได้ทรงปรทานให้ พระองค์ทรงสวมเกียรติและศักดิ์ศรีประทานชีวิตประทานลมหายใจใ ห, หลายท่านในการที่จะมีชีวิตที่จะรับใช้พระเจ้าในภาระในหน้าที่งานที่แตกต่างกันตามตาลันตามความสามารถที่พระองค์ทรงโประทานให้ขาพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ทีมไหลายคนนั้นจะมีโอกาสได้ร่วมนมัส ก, การสรรเสริญออกพนามของพรงะองค์รับฟังพระเจ้าธรรมของพระองค์ขอพระองค์ทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เคลื่อนไหวในชีวิายทุกคนและขอพระเจ้สาสัพพัที่จะอวยพรฤิร์จักทุกฤิ์จักธรรมะทุกธรรมะที่จะมีการเผยพระเนะธรรมของพระเจ้าในเช้านี้ ท, ทุกสิ่งนั้นจะเป็นไปโดยจิตวิญญาณและความจริงและให้ทุกสิ่งที่พลายทุกคนนั้นได้ร่วมกันกระทํานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ทั้งสิ้นจึงขอฝากเวลาในการนมัส ก, การนี้ไว้กับองค์ในฐานในพระนามพระสุภิเจา้าอามีครับต อ, อนเช้า ว, วันนี้นะครับอยากจะให้ผมเข้า ว, ว่าจงรักซึ่งกันและกันขอบพระเจ้าที่มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนนะครับ ในพันธกิจของพระเจ้าที่พรงได้ทรงกระทําในตั้งแต่อดีตการนะครับพระอิศุขิตได้มาเพื่อประกาศมาเพื่อประกาศเป็นพันธกิจของคริสจักรนะครับเป็นพันธกิจของคริสจักรมาเพื่อสั่งสอนเป็นเรื่องของพันธกิจการศึกษาและพระองค์ทรงมาเพื่อเยียวยารักษาคนเจ็บป่วยผู้ยากไร้นะเป็นเรื่องของพันธกิจการแพทย์ รับและก็หน่วยงานต่างๆที่ดูแลข้าพเจ้าสำหรับในภารกิจการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานของการสแสดงความรักของพระเยซูคริสตท์ที่สภ า, ากฤษฎ์ในประเทศไทยได้สืบสารต่อจากมิชลีที่มชัามานนารีร ท, ทรี่มิชชันารีที่นนารีที่มิชชันารีที่มิชชัน2า0ปีมาประกนศพระกิติคุณบนผืนทผ่ดินไทยการศทกษาจึงถือวร่มเป็นภารีที่มิชชันน า, านารีที่มิชชันนาร่ิชชันนารีท่ันารีที่ิันนารเที่มิชชันนารีที่มิชชนนา และเป็นการตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระสุคริตรที่พระองค์ทรงใช้เราออกไปเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์และสั่งสอนให้อีกหลายๆคนนั้นได้เป็นสาวกของพระสุคริตหัวใจที่สําคัญที่เราจําเป็นต้องกระทําพันธกิจเหล่านี้ให้เกิดผลและสําเร็จนั่นก็คือพันธกิจความรักพันธกิจที่เราต้องทําด้วยความรักเป็นพันธกิจที่สําแดงถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ผู้อื่น โดยผ่านทางงานต่างๆผ่านทางชีวิตของเราซึ่งจริงๆแล้วสภากริจักรก็ได้กําหนดวิสัยทัศน์และก็ปรัชญาในด้านของภัรกิจการศึกษาไว้นะครับในด้านของปรัชญาก็คือพันกิจการศึกษาของสภากริจักเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าสุคริตในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามคําสอนของพระเจ้าสุคริตและเป็นแหล่งแห่งการประกาศภกิตติคุณ ทุกๆปีการศึกษาในก็หมดปีการศึกษาเตรียมที่จะเข้าปีการศึกษาใหม่นะครับก็จะมีบุคลากรเข้ามาใหม่อยู่เสมอนะครับในแต่ละปีท่านผู้อำนวยการก็จะมีการที่จะพบก่อนพบกับบุคลากรใหม่และท่านก็จะแนะนําว่าโรงเรียนพดฒนุราชโรงเรียนทุกโรงเรียนของสภาคริสจกักรเป็นโรงเรียนที่เน้น3มเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องของการประกาศประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรื่องที่2ให้หลักธรรมคาสอน หลักทำคําสอนบนพื้นฐานคริสตศาสนาและอย่างที่3คือให้ความรู้ทางด้านวิชาการเพราะฉะนั้นบุคลากรที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะได้รับในสิ่งเหล่านี้ก่อนเป็นพื้นฐานว่าเมื่อเราเข้ามาในสถาบันของพระเจ้าสิ่งแรกเลยความตั้งใจแรกของทงั้งทางโรงเรียนและของมิชชันนารีที่เข้ามาก็คือต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและสั่งสอนนนื้ฐาของคริสตศาสนาบนพื้นฐานของกัมพีบนพื้นฐานของความรักที่มาจากพระเจ้า และความรู้ทางด้านวิชาการอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งและในวิสัยทัศน์สถาบัานการศึกษาที่ของสถาบันกฤษจักก็มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบนรากฐานความเชื่อและความรักอย่างพรีสุคริชเพราะฉะนั้นการที่ปรีสุคริชได้เข้ามาในโลกนี้ก็เพราะว่าความรักของพระเจ้าที่ ท, ทรงมีต่อมนุษย์ในหลายๆโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยเช่นกรุงเทพคริสเตียนนะครับก็ตอนนี้ นักเรียนในแต่ละปีก็มีจํานวนเยอะนะครับมีจํานวนเยอะอย่างในปีที่ผ่านไปเนี่ยจะรับนักเรียนปีหน้าเนี่ยปีนี้เขาเต็มไปแล้วนะครับแต่อย่างเราเนี่ยเรายังต้องออกไปหายังต้องออกแนะแนวยังต้องออกในต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาของพระเจ้าเมื่อพระสุคริตเข้ามาเพื่ความรักที่พปร่งมีต่อมนุษย์พระสุคริตได้สมเด็จความรักของพระเจ้า นั่นก็คือการเสียสละพระองค์เสียสละพระชนของพระอ ง, งค์บนไม้กางเขนบนความตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้ได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์และได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์เป็นความรักที่สัมผัสและเป็นความรักที่สามารถแตะต้องได้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราทั้งหลายในการทำธรรกิจที่มีคุณค่าที่ให้ภุรกิจของพระเจ้านั้นสําเร็จก็โดยความรักที่พระองค์ได้ทรงสรําแดงออกมาเป็นการกระทํา ในชิตของเราแต่ละคนที่ร่วมปณิบัติรับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าแต่ละท่านที่ทําพันธกิจไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานไหนองค์กรไหนก็ตามท่านได้สำแดงความรักของพระเจ้าผ่านอาชีวิตของเราในสถาบันการศึกษาก็เช่นกันท่านใดที่เป็นครูนะครับจะจะทราบดีว่านักเรียนเนี่ยจะมีร้อยพ่อพันแม่เราจะเจอเคสต่างๆกันนะครับแต่ละคน ดีตั้งใจเรียนอันนี้คือมีหน้าที่เพียงแค่เพิ่มเติมแต่บางคนคนนี้ต้องขุนต้องเข็นต้องอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือต้องให้เขาไปถึงฝั่งฝันให้เขาสำเร็จการศึกษาให้ทั้งความรู้ทา้งด้านวิชาการให้ทั้งคุณธรรมและจริยธรรมก็ในประมาณสัปดาห์ที่ผ่านไปนะครับผมก็เอารถไปเช็ค ที่ศูนย์เชฟเปิดใหม่ที่แถวหนองอ้อครับเพราะว่าตอนนั้นศูนย์เชฟเจ๊งไปหมดแล้วนะครับนะเลยไปเปิดใหม่ที่นู่นนะครับก็ไปบบก็ลดกระจกลงเพราะว่ามันถึงรอบถึงระยะที่ต้องเช็คละลดกระจกลงก็เจ อ, อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับเขาก็ยกมือไหว้สวัสดีครับผมก็ลดกระจกลงกสวัสดีครับผมเอารถมาเช็ครอบเช็คระยะครับสักพักเขาก็เดินเข้ามาใกล้ผมเดินออกมาสวัสดีครับ สวัสดีครับเอารถมาเช็ครอบเช็กระยะครับสวัสดีครับอาจารย์จำผมไม่ได้หรอครับจำไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเขาเขามีหนวดมีเครานะครับมีหนวดมีเคราบอกก็เลยถามชื่ออะไรนะครับเขาก็บอกว่าอ๋อผมชื่อเต๋าครับผมเก็ตทันดีครับตอนนั้นนักเรียนในรุ่นเนี้ยชื่อเต๋ามีไม่กี่คนนะครับขุบอยน่าจะทันนะครับ นักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนคนที่จบม .3 นะครับจบม3แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสแทบทุกวันแล้วก็เขามีเรื่องครั้งสุดท้ายกับพี่ม .6 เอาไม้ไปตีพี่ม .6 เลือดออกเลยนะครับเลือดออกนะครับแล้วก็ถามว่าเอาแล้วทำไมเรามาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยบอกอ๋อผมตอนแรกผมอยู่ที่เขาอยู่ที่ BMW นะครับ BMW ตรงแถวราชพฤกษ์นะครับและทีเนี้ย ผู้จัดการหรือผู้ช่วยนั่นแหละนะครับไปเปิดศูนเชฟใหม่ที่นู่นก็เลยดึงเขามาด้วยครับเพราะว่าดึงเขามาเป็นผู้ช่วยด้วยครับก็เลยอ่ะก็เลยไ ด, ได้ได้เห็นได้คุยปุ๊บก็โอเคงั้นเดี๋ยวครูฝากเราเลยแล้วกันนะครับเขากา็ยินดีครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโอ้เด็กบางคนบางคนนี้เก่งคือเรารู้ว่าอนาคตเขาเนี่ยมี งานมีอะไรที่รองรัดแน่นอนแต่บางคนที่เราเห็นว่าโอ้โหกว่าจะจบออกไปได้นะครับเราต้องอดทนเราต้องสั่งสอนต่างๆเพราะนั้นพันธรรกิจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสถาบันของพระเจ้าคือพันธรรกิจความรักที่จะต้องเกิดขึ้นกับคณะครูทุกคนเพราะถ้าเรารู้แค่ว่าไม่ดีปุ๊บส่งชื่อไปเลยฝ่ายปกครองออกไปอันนั้นง่ายครับพอ เ, อเซน็นปุบ๊บคนนี้ออกเดยกคนนี้ออกคนนี้ไม่ดีปุบ๊บเซ็นออก แต่สุดท้ายเราก็ต้องไปหาเด็กมาเพิ่มอีกต้องไปหาเด็กเพราะจํานวนเด็กปัจจุบันนี้อัตราการเกิดก็ลดลงเพราะฉะนั้นจํานวนปีการศึกษานี้ก็จํานวนเด็กนักเรียนก็ลดลงนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ก็คือเด็กที่อยู่กับเราเราก็ต้องพัฒนาให้เขาได้ดีที่สุดทั้งวิชาการและทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมในเพราะฉะนาทางของเจ้าในตอนนี้อยากจะใ ห, เห้เห็นถึงความจริง2ประการในประการแรก ความรักนั้นเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าความรักนั้นเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าในหนึ่งยอห์นบทท่ที่เท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าความรักที่กล่าวถึงนี้ไม่มีในธรรมชาติของมนุษย์เนื่องด้วยความผิดบาปความรักของมนุษย์นั้นมักเป็นความรักที่แฝงด้วยความเห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจอย่างแท้จริง ในพระชจ้าทางหัวเจ้าก็กล่าวไว้ว่าความรักของมนุษย์ในยุคนี้นะครับจะเยือกเย็นลงยิ่งถ้าเราเห็นข่าวปัจจุบันนี้ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆลูกาสามีสามารถฆ่าลูกได้นะพ่อเนี่ยสามารถฆ่าลูกได้ทั้งครอบครัวเลยฆ่าภรรยาได้ด้วยนะครับและสุดท้ายตัวเองก็ฆ่าตัวตายตามเพราะเสียใจนะครับ นักศึกษามีนักศึกษามอชอข่าวที่ออกมานักศึกษาติดเกมทะเลาะกับแฟนฆ่าแฟนนะครับฆ่าแฟนที่หอพักเลยเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้หนีไปไหนครับเขาหนีกลับไปเล่นเกมตรงหอพักเขาเนี่นแหละข้างๆคือไม่ได้หนีไปไหนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความรักของมนุษย์ในยุคนี้เยือกเย็นลงและการที่ฆ่าการที่มนุษย์สามารถฆ่ากันเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในวัยสูง ที่30ขึ้นแต่สบายนี้10กว่าสามารถที่จะเป็นฆาตากรได้แล้วเพราะฉะนั้นความรักต่างๆของมนุษย์เป็นความรักที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยารักษาเป็นความรักที่บางทีเราอาจจะบอกว่ารักเรารักเรารักคนนั้นเรารักคนนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดมาจากการกระทําของเราที่แท้จริง แต่ความรักจากพระเจ้านั้นเป็นความรักที่มีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นและพระเจ้าทรงเปิดเผยความรักนี้ในพระเยซูคริสต์เราไม่อาจพบความรักนี้จากแหล่งอื่นๆนอกจากพบในพระเยซูคริสต์ในข้อที่9โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดํารงชีวิตโดยพระบุตรครับเหมือนที่ผู้ น, นํานวัส ก, การครับดรอาร์ตได้บอกไปว่าค ปัจจุบันนี้เราเข้าไปห้างทุกอย่างแทบจะเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับเสร็จสมบูรณ์ในห้างแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้ทุกอย่างแทบจะเสร็จสมบูรณ์ในโทรศัพท์มือถือนะครับแทบจะทุกอย่างเลยโอนเงินนะครับต่อไปบางทีห้างเราไม่ต้องไปแล้วนะครับสั่งของออนไลน์นะครับส่งถึงบ้านนะครับอะไรต่างๆมากมายาการนําทางอะไรต่างๆ GPS อะไรตัวนี้โทรศัพท์มือถือทุกอย่าง แทบจะทําได้ครอบคุมไปแล้วนะครับนะต่อไปเผอิญเราแทบไม่ต้องออกไปไหนนะครับเพราะว่าอย่างการเรียนการเรียนรู้ต่างๆการทําอาหารการอะไรเราสามารถหาข้อมูลได้ทุกอย่างครบอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันมนุษย์แทบจะไม่มองหน้ากันอยู่แล้วนะครับก้มหน้าวันนี้เขาบอกสังคมก้มหน้าครับก้มหน้าเล่นจนนิ้วล็อกนะครับพังผืนนี่เกาะมือครับต้องไปล็อ ทางพื้นออกกันนะครับเป็นรายๆไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเชื่อว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงคุณค่าของความรักชนิดนี้ได้เพราะมนุษย์มักใช้ความรู้สึกมากําหนดเพื่อการตัดสินใจในการแสดงออกถึงความรักโดยทั่วไปความรักจึงกลายเป็นเพียงแค่อารมณ์เป็นเพียงแค่ความรู้สึกมีเพลงของบอยพิสเมเกอนะครับเพลงหนึ่งที่บอกว่าเพราะว่า แม้ว่าเพราะว่าแม้ว่าขึ้นต้นประโยคเลยนะครับที่ใครๆมาชื่นชมฉันเพราะว่าเห็นส่วนที่ดีจากสิ่งลวงตาภายนอกที่มีจากสิ่งที่เพียงได้มองถ้าฉันไม่มีสิ่งเหล่านี้คงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้พวกเขานั้นหันกลับมามองจะเหลือสักคนรักฉันไหมมนุษย์มองมนุษย์จะรักจะเกลียดจะชอบมองภายนอกเท่านั้น คนนั้นหน้าตานี่ดูละโหดโ อ, โอ้ไม่ครบแล้วนะครับแต่บางทีจิตใจเขาอาจจะดีบอกคนนั้นโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในอาจจะพร้อมที่จะทําร้ายเราได้เสมอก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเรามองมนุษย์ตาสีนมนุษย์ภายนอกคนนี้ยน่าคบแน่นอนคนเนี้ไม่น่าคบแต่พระเจ้ามองมนุษย์ที่จิตใจความรักของพระเจ้าไม่ใช่เป็นความรักเช่นอารม์หรือความรู้สึกแต่เป็นความรักที่พระองค์ทรงกะระทําด้วยความเมตตาความเสียสละ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 ร้อยเมกะเฮิร์ส์นะครับนะอันนี้ก็เป็นสโลแกนของคืนนี้นะครับนะก็ได้นําพระคมภี์ไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปโลเขียนเรื่องความรักโอ้โหวความรักเขียนไว้สวยงามไหมครับสวยงามมากความรักอดทนไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งมายองแต่เมื่อเราลองมาพิจารณาตัวเราเองในแต่และข้อไล่ไปเลยครับความรักไม่อิจฉามีอยู่ไหมครับความอิจฉาในตัวเรามีอยู่ครับ ความรักไม่อวดตัวไม่ยิงพยองมีอยู่ไหมครับมีอยู่ครับนะความหยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวทุกอย่างที่อาจารย์เปาโลเขียนมาเนี่ยเป็นความรักที่สวยงามถ้าเรามีครบโหยอดเยี่ยมแต่เมื่อพิจารณา ป, ปุ๊บมีข้อเดียวมีสองข้อไม่มีเลยก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวเรานะครับความรักที่แท้จริงนั้นเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าเป็นความรักที่สวยงามเหมือนอาจารย์เปาโลเขียนไว้ถ้าเราทําตามได้เชื่อในสุดดีของเขาอยู่เสมอ ทำได้ไหมลืมความผิดพลาดต่างๆของเขาและเชื่อในส่วนดีเราทำได้หรือไม่นะครับไม่จดจำความผิดของคนอื่นไม่ใช่ว่าขุดคุยมาอยู่นั่นแหละนะครับเรื่องเก่าๆตั้งแต่สมัยปถมมัธยมอะไรต่างๆนะครับก็ความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งความรักคือพระองค์ทรงรักเราจนกระทั่งยอมเสียสละพระชนของพระองค์เองเพื่อเรา ทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำบนโลกนี้จนกระทั่งสิ้นพระชนบทไม้กางเขนแสดงถึงความรักอันสูงสุดอันเป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นคนบาปและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เรามีความรักเช่นนี้ต่อผู้อื่นด้วยเช่นกันดังความรักในภาษากรีกนะครับนะัที่มีทั้งหมดอยู่4ี่คำนะครับเอลออสฟิลอสสตเกออะาเป้นะครั บ, e los, ilos, oke, นะรบเป็นความรักฉันพ่อแม่นะครับฉันพี่น้อง ฉันหนุ่มสาวนะครับและเป็นความรักที่สุดท้ายคืออะคาเป้เป็นความรักที่เหมือนพระีสุขิตรักมนุษย์เป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนและพระองค์ทรงมีพระประสงค์เช่นนี้ที่จะให้เรารักซึ่งกันและกันโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน Manual. พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเนี่ยมีความสามารถที่จะมีความรักเช่นนี้อยู่ในจิตใจของเราเพื่อให้เราเป็นเหมือนพระีสุขิตความรักของพระเจ้าที่อยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่เป็นความรักที่ เป็นเพียงแค่อารมณ์เป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่าอยากจะรักอยากจะเกลียดอยากจะอะไรต่างๆเพียงแค่นั้นแต่เป็นการกระทำบนความจริงเพื่อผู้อื่นดังในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สาข้อที่18บอกว่าลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงขอใ ห, ให้เรามองว่าความรักเช่นนี้คนนั้นมีไหม แบบเนี้ยโอ้โหแบบดีๆที่อาจารย์ปารลเขียนเนี่ยคนนี้มีไหมแต่ขอให้เราพิจารณาว่าเรามีความรักของพระเยซูคริสต์อันเป็นความรักของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในใจเราหรื อ, อยังไม่ต้องไปมองคนอื่นไม่ต้องไปมองว่าคนนี้มีหรื อ, อยังคนนั้นมีหรื อ, อยังแต่มองที่เราว่าเราเนี่ยมีหรื อ, อยังความรักที่พระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีคู่รักหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มีคู่รักคู่หนึ่ง ขึ้นไปบนรถบัสคันหนึ่งนะครับเป็นระหว่างทางเป็นหุบเขานะครับและคู่รักคู่นี้ก็ได้บอกให้คนขับจอดรถเขาจะลงระหว่างทางนี่แหละนะครับและคู่รักคู่นี้ก็ลงจากรถบัสนะครับและรถคันนี้ก็ขับไปได้อีกเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นอยู่ๆดินบนภูเขานั้นก็ถล่มลงมาทับรถบัสคันนี้ ผู้คนที่โดยสารเต็มรถบัสคันนี้เสียชีวิตทั้งหมดคู่รักคู่นี้ท่านจะตอบตัวเองในใจว่าอย่างไงครับตอบว่าโชคดีจังเลยที่ลงก่อนใช่ไหมครับโอ้ยโชคดีจังเลยเนี่ยไม่ได้ตายบนรถบัสคันนั้นใช่ครับโชคดีจังเลยนะที่ได้ลงก่อนแต่คู่รักคู่นี้เขากลับตอบว่า เราไม่น่าลงรถเลยนะครับเราไม่น่าลงรถเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ลงจากรถรถก็คงไม่ต้องจอดรถก็คงไม่ต้องจอดเพราะฉะนั้นรถก็คงจะเลยไปละดินถึงจะค่อยทถลม่มลงมานะครับซึ่งเป็นคําตอบที่อาจจะตรงข้ามกับใจเรานะครับพอผมอ่านดูปุบ๊บผมยังไม่ทันอ่านคําตอบผมก็อ่านดูโอ้ครูรักครูนี้เขาโชคดีเนาะลงรถก่อนพอดีแต่พอไปอ่านปุบ๊บครูรักคู่นี้เขาสนทนากัน เขาบอกว่าเขาเสียใจมากเขาไม่น่าลงจากรถเลยเพราะว่าถ้าไม่ลงจากรถคนบนรถบัสทั้งหมดก็คงไม่ไม่ตายเพราะว่ารถคงผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความรักบางทีเราอาจจะมองว่าคนนั้นมีความรักที่ดียิ่งใหญ่ต่อครอบครัวต่ออะไรต่างๆนะครับเหมือนอย่างเรื่องตลกตลกะครับที่เขาบอกว่าโอ้อยากให้ มีศิษยาพิบาลท่านหนึ่งเทศนาเรื่องความรักนะครับเทศนาเรื่องความรักโอ้เทศนานี่สุดยอดจับใจมากนะครับจนลูกชายเดินมาบอกนะครับผมอยากอยู่แต่ในโบสถ์เนี่ยนะครับนะไม่อยากให้พ่อกลับไปบ้านเลยครับพ่อที่เป็นศิษยาพิบาลก็ถามอา้าวทาไมอะ่ะก็กลับไปบ้านพ่อไม่เห็นทําเหมือนที่พ่อเทศบนโบสถ์เลยความรักไม่เห็นเหมือนที่บ้านเลยที่บ้านพ่อ บนโบสถ์นี่พ่อเทศความรักอู๋สวยหลูรักคนนั้นรักคนนี้รักลูกรักเมียรักครอบครัวแต่กลับไปที่บ้านพ่อไม่เห็นทําเลยนะเพราะฉะนั้นอยากให้พ่ออยู่แต่ในโบสถ์นี่แหละหนูก็อยากอยู่ในโบสถ์นี่แหละนะไม่ต้องกลับไปบ้านนะครับเพราะฉะนั้นรักต้องออกมาเป็นการกระทําเป็นสิ่งที่สัมผัสแต่ต้องได้โดยผ่านทางชีวิตของเราในประการที่2เหตุที่พระเจ้าทรงรักเราและทรงมีพระประสงค์ให้เราแสดงความรักกับคนอื่นเช่นนั้นด้วยนะครับ เพราะพระเจ้ารักเราและโปร่งมีพระประสงค์ที่จะให้เราสัมดงความรักนั้นกับคนอื่นด้วยจากพระคัม์ตอนนี้ทําให้เราเข้าใจความรักของพระเจ้ามากขึ้นและมีใจปรารถนาที่จะมีความรักเช่นนี้เพื่อทําให้พระเจ้าผ่อบไทยความรักของพระเจ้าทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทําให้พันธกิจที่เราได้ร่วมรับใช้ของพระเจ้านั้นจเจริญเติบโตโก้าวหน้าเพราะทุกอย่างเมื่อเราทําทุกอย่างด้วยความรักนะครับงานต่างๆเช่นกันบางทีเมื่อเราทําด้วยความรัก งานมันก็จะไปได้ดีก้าวหน้าและทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติด้วยด้วยเหตุผลนี้อย่างแรกคือพระเจ้าทรงสร้างและประธานชีวิตให้กับเราพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าปาระธานชีวิตให้กับเราพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายที่เป็นฝีพหัตถของพระองค์พระองค์ประสงค์ต้องการที่จะสร้างเพื่อให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกับผู้สร้างที่สุดต้องการให้เราที่จะเหมือนกับผู้สร้างพระองค์ทรงสร้างมนุษย์โดยให้เกียรติและศักดิ์ศรีและพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ต่ํา กว่าพระองค์เพียงแต่หน่อยเดียวแต่สิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตของมนุษย์ก็คือความรักที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความบาปคือความของพระเจ้าถ้าเรามีความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์และดำรงอยู่ในความสมบูรณ์ดังพระประสงค์ของพระเจ้าทําให้เราได้เกิดผลดีทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความเป็นไปได้เราจะมีพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้า และผู้ที่พระเจ้าทรงรักนั้นจะดูนขอสิ่งใดพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเขาและให้เขาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นความรักทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงสธิทกับเราความรักทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงสนิกับเราก็อยากจะเป็นพยานสั้นๆนะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านไปความมั่นใจของววพระเจ้าว่าพระองค์ทรงทีกับเรานั้นอยู่กับเราจริงๆ ก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านไปก็มีโอกาสไปชมบุรีนะครับผมต้องเกิดนิดหนึ่งว่าผมเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางแค่จะไปผมพิรามผมตั้งนานนะครับไปเส้นไหนเนี่ยผมพิรามเนี่ยสั้นเป็นนานมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไปชมบุรีไม่ต้องห่วงนะครับเตรียมตัวหลงได้เลยก็เป็นครั้งแรกที่ผมใช้ gps ในโทรศัพท์มือถือเพื่อเดินไปเลยครับขับไปไอเรื่องไปถึงนครสวรรค์ไปถึงใกล้ๆ วงแหวนรอบนอกเนี่ยได้สบายมากพอไปถึงวงแหวนรอบนอกปุ๊บ GPS มันไม่บอกทางคู่ขนานครับเราต้องตีออกทางไปละผมถามาน้องจุ่มนะครับไปทางไหนตรงไป GPS ไม่ได้บอกให้ออกทางขนานเพื่อขึ้นวงแหวนผมผมมองปุ๊บเหมือนครั้งก่อนเราก็ไม่ได้ขึ้นนะนะครับนะครั้งนี้เราจริงๆเราต้องขึ้นแล้วนะครับ แต่เมื่อ GPS บอกง น, นั้นเราก็ไม่ขึ้นตรงไปปบหารกลับไปมองเอา้าวงแหวนรอบนอกนี่วงแหวนตะวันออกนี่เอา้าเลยอีกแล้วนะครับครั้งนี้ก่อนก็เลยครั้งนี้ก็เลย อ, เเอ่เราเชื่อเราเชื่อ GPS ผมอธิษฐานนะครับจริงจงผมอธิษฐานก่อนเดินทางทุกครั้งอธิษฐานขอให้ขับรถด้วยความปลอดภัยขอให้คนที่ขับรถบนท้องถนนทุกคนขับด้วยความปลอดภัยขอพระเจ้าอวยพรสภาพรถ อ, อธิษฐานทุกอย่างไม่อธิษฐานอยู่เรื่องเดียวคือขออย่าให้หลง นะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเลยไปอ่ะเลยทีนี้เลยเรารู้ละว่าเราต้องกลับนะครับเราต้องกลับก็ถามอจุมถึงตรงนี้ละขึ้นไหมทีพีเอบอกไม่ขึ้นนะอ่ะไม่ขึ้นเลยไปปุ๊บเอ้านี่มันทางยูเทิร์นที่เราต้องยูเทิร์นนี่อ่ะเลยไปสุดท้ายก็เอา GPS ไว้ก่อนเชื่อตัวเองละปุ๊บยูเทิร์นอ่ะกลับมาทีนี้กลับไปงวงเวนอ่ะทีนี้ก็ไปสามารถไปถึงที่นู่นได้นะครับพึ่ง GPS ออีกเล็กน้อยตรงปลายทางก่อนที่จะถึงนะครับ ทีนี้ขากลับขากลับเป็นอะไรที่มันมากมันกว่าเดิมอีกนะครับกลับออกมานะครับต้องกลับทางเดิมเป็นโทรเวนะครับที่ผ่านสามดักมาปุ๊บ GPS นำมาตรงมอเตอร์เวย์นะครับเอาแล้วที่มอเตอร์เวย์มันไม่ใช่ไอ้ทางกลับทางเดิมนะครับก็เลยโทรถามเพื่อนเพื่อนที่เขาเป็นผู้จัดการนะครับเป็นผู้จัดการโตโยต้าอยู่ที่ชนบุรีเขาบอกอ๋อไมไม่เป็นไรมาได้ พยายามขึ้นมอเตอร์เวย์ให้ได้แล้วก็ไปตัดออกแถวสุวรรณภูมิครับเกาะบางประอินไว้พอบางประอินปุ๊บอ้อจำได้ละบางประอินเมื่อก่อนเราก็เกาะมานะครับเราก็เกาะบางประอินมาพอบางประอินปุ๊บอ่ะทีนี้ปุ๊บชุมขึ้นไหม GPS บอกว่าไม่ขึ้นนะนะครับพอไม่ขึ้นปุ๊บเลยทางครับเลยทางที่ต้องขึ้นอ่ะเลยปุ๊บทีนี้บอกพอทางขึ้นปุ๊บไม่ต้องถามละไม่ถาม GPS ละขึ้นเลยครับ ขึ้นปุ๊บเป็นยูเทิร์นครับยูเทิร์นกลับดันไม่เป็นทางด่วนที่เราต้องขึ้นยูเทิร์นกลับกลับไปปุบ๊บทีนี้เราต้องยูเทิร์นกลับมาอีกนะครับก็พอเห็นทางปุบ๊บเราต้องยูเทิร์นกลับใช่ไหมบอกใช่นะครับไม่ดูบอกไม่ต้องดู GPS ีเอสละพอเห็นทางปุบ๊บเราเตรียมขึ้นเลยขึ้นไปปุบ๊บเป็นทางด่วนครับทางด่วนกลับไปชนบุรีอีกรอบหนึ่ง ผมไปต่อแถวเพื่อจะจ่ายตังเข้าด่านชนบุรีอีกเป็นชั่วโมงกลับไปชนบุรีอีกรอบนะครับเอาอยัางไงดีเนี่ยอพอลงมาได้ปุบ๊บลงทางเขาบอกให้แยกลงอมตนะนครอลงปุบ๊บยูเทินกลับมาอยู่เทินกลับมาทีนี้เราต้องไปทางไหนเนี่ยนะครับ GPS อะไรไม่สนใจครับตอนนั้นทิ้งไปหมดแล้วขึ้นไปเลยครับมีอะไรขึ้นไปนะครับรู้ ว, ว่าต้องขึ้นทางด่วนทางเนี้ขึ้นไปปุบ๊บโอ้ยผ่านละขึ้นไปเสร็จปุบ๊บ มีอีกทางหนึ่งมันเป็นทางด่วนอีกอันนึงต้องไปไหมเนี่ยต้องขึ้นไหมเนี่ยคือมันกรุงเทพครับเวลาตัดสินใจเพียงแค่เสี้ยวนาทีนะครับมันมีอยู่แค่นั้นนะตรงกลับ ข, ขึ้นขึ้นคือผิดคือผิดไปเลยนะครับตัดสินใจขึ้นขึ้นป๊บวนกลับมาเอ้ไปสุวรรณภูมิจ่ายตังไปชนบุรีอีกรอบหนึ่งครับโอ้ผมบอกทุกทุกทเราไม่ได้กลับบ้านเราไมไ่ถึงบ้านสักเที่ยงคืเนเได้ี่ยนะครับนะ เชื่อทั้ง GPS เชื่อทั้งตัวเองอธิษฐานลืมอธิษฐานเผื่อนี่ครับเรื่องหลงทางแหละอธิษฐานเผื่อแต่การเดินทางปลอดภัยและเผื่อรถนะครับอะไรต่างๆจทสุดท้ายอ่ะทีนี้เรามักจะคือเราหัวเสียก่อนเสร็จปุ๊บสุดท้ายละพระเจ้าช่วยด้วยครับอธิษฐานในใจไปเสร็จปุ๊บจุ่มพี่เห็นแยกกรุงเทพพี่เร็วน ะ, ะแล้วแต่ ปุ๊บผมตัดสินใจเลี้ยวเข้ากรุงเทพทางนั้น ท, ท, ที่ที่รู้ว่าเตรียมสิ้นชีวิตได้เลยเพราะกรุงเทพหลงแน่สำหรับตัวผมเนี่ยเลี้ยวเข้ากรุงเทพปุ๊บนะครับมันก็มีทางไปกรุงเทพแล้วมันดันมีทางบอกว่าอ่ะย้อนกลับผมก็เลยตัดสินใจว่าไปกรุงเทพตายแน่ย้อนกลับดีกว่าทีานี้ย้อนกลับเสร็จปุ๊บกลับไปอ๋อทีนี้ก็เริ่มตองจุ่มก็หยิบกดอะไรไปก็เฮ้ ย, ยมี ม, ม, มีป้ายมีป้ายบางปะอินอยู่แถวข้างหน้า เอาละพอบางไปอินอ่ะเริ่มอุ่นใจอ่ะทีนี้ก็จะกลับได้นะครับผมข่าด่านกลับชนบุรีอีกทั้งสองรอบนะครับนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าโอเคเราพึ่งพาครับเราอธิษฐานแต่เราอธิษฐานในสิ่งที่โอเคมันเป็นเรื่องทั่วไปคือขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพระเจ้าก็อวยพรเดินทางปลอดภัยแล้วนะอวยพรสภาพรถนะขอให้รถพร้อมไปไหนรถพร้อมนะแต่ไม่ได้อธิษฐานขอไม่ให้หลงทางเพราะฉะนั้น พระเจ้าบอกเออไม่ได้อธิษฐานนี่ไม่ให้ลงถ้าหน่อยนะครับครั้งหน้าอย่าลืมอธิษฐานเรื่องอย่าให้หลงนะจะได้ไม่หลงครับเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าในในทุกสิ่งทุกกรณีที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าในตอนที่เราเกิดเหตุการณ์ในตอนนั้นเราหัวเสียเราโมโหผมโมโ ห, โมโหตัวเองมากทําไมต้องกลับมาที่เดิมครับจ่ายค่าด่านซึ่งก่อนจะจ่ายได้ท่านที่ไปชนบุรีจะรู้ดีว่าด่านที่เราก่อนเข้าชนบุรีครับด่านบางประกงเลย โอโหเป็นชั่วโมงครับกว่าจะไปถึงด่านเขานะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราหงุดหงิดมากเพราะฉะนั้นเป็นพยานนะครับเล็กน้อยว่าบางทีการเชื่อตัวเองการเชื่อ G P S นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่บางทีเราลืมขอสติปัญญาเราลืมขออะไรต่างๆจากพระเจ้าในสิ่งที่ที่จาเป็นนะครับและอย่างก็คือเป็นพระประสงค์และตามพระสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยความรักของพระองค์และมีน้ำพระทัยให้เราเนี่ยได้รับพระพรตามพระสัญญาให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้าในความรักนั้นไม่ใช่การสาปแช่งไม่ใช่การพิพากษาไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากอำนาจของความบาปความรักของพระเจ้านั้นนำพาเราได้รับการช่วยเหลือของพระองค์เรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นปัญหาในชีวิตของคริสเตียนก็คือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยตัวเอง ให้รอดพ้นจากความบาปที่ครอบครองใจเราได้แต่โดยความรักของพระเจ้าประทางรพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ลบล้างในสิ่งเหล่านี้ลบล้างความปิดบาปของเราทั้งหมดและจะไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้เรานั้นพลากจากความรักของพระเจ้าได้ในพระคัมภีร์ก็บอกไว้ชัดเจนว่าดังนั้นจึงตั้งอยู่3ามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดความรักเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในชีวิตคริสเตียนเราเรามีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงรักเรา และเราจะมีค่ามากยิ่งขึ้นถ้าความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเรานั้นปรากฏในชีวิตของเราจริงๆและสําเดงให้กับคนอื่นนั้นได้เห็นด้วยดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าเหมือนพระเจ้าบรรดาผู้ที่มีความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาก็จะดําเนินชีวิตอยู่ในความรักและสําเดงออกมาต่อผู้อื่นต่อเพื่อนบ้านต่อคนรอบข้างรักได้แม้กระทั่งศัตรู และด้วยความรักเช่นนี้ทําให้พระเจ้าทรงพอพระไทยและทําให้เราเกิดผลมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือความรักของเรามักจะไม่สําแดงออกมาเป็นการกระทําอย่างแท้จริงยกตัวอย่างง่ายเช่นขับรถผมขับรถรถของผมจะมีสัญลักษณ์ปลาพี่น้องที่ขับรถนี่บางทีจํารถผมได้ล้นะครับถ้ามีสัญลักษณ์ปลาโอเคหรือว่าถ้าพี่น้องติดสัญลักษ์ปลาที่รถผมก็จะรู้ว่าอ๋อนี่รถคริสเตียน รถคริสเตียนพุเราก็จะมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งละตอนนี้ได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกติดรถเบบี้อินคารถคันนี้มีเด็กนะนะครับรถคันนี้มีเด็กแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดนะครับผมนี่เป็นคนที่แบบชอบอารมณ์ร้อนเวลาขับรถนะครับในในเมื่อก่อนตอนนี้คือมีตัวห้ามอยู่สองตัวละตัวแรกสัญลักษณ์ปลาตัวที่สองเบบี้อินคานะครับ ถ้าเราไปขับรถอย่างนี้ปาดหน้าปาดหลังโดยเฉพาะถ้าปาดไปปาดหน้ากับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่ได้ติดปลาด้วยนะครับนะพี่น้องที่อยู่ในโบสถ์นี้เห็นรถผมโอ้ไอรถนี่มันรถอาจารย์ยิ้มเนี่ยนะขับรถปาดไปปุ๊บโอ้ถึงปา่าถึงเบบีอินคาร์ไหนว่ามิลาออนอย่ามาขับปาดใส่าปาดขวานะครับนะโดยเฉพาะรถนะครับนะอย่างบางทีคนอื่นมาจี้เราโอดจี้อะไรต่างๆนะทั้งทั้งที่สุดท้ายพอไปถึงปลายทางติดไฟแดงมันก็เห็น มันก็ติดอยู่ข้างหน้าเราเหมือนกันนะครับนะปาดแซงเพื่อที่จะไปให้ถึงที่หมายโดยเร็วนะครับบางทีเราก็มันจะได้พลั้งเปลืปลอยในรถกันนี่นะปาดแซงสกรรักคำหรอนะครับแต่สุดท้ายเราทําได้ไหมรเราทําไม่ได้เพราะเรามีไอตัวห้ามอยู่ไอตัวห้ามนั้นเป็นมีแค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราต้องห้ามคือจิตใจของเราคนระต้องห้ามว่าอย่าไปมีอารมณ์กับรถที่ที่เขาจะทําอย่างนั้นนะมันจะปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้าปาดหลังเราจะเอาคืนสักครำดี๊ก้าปอกหมอสกสรรักคำหรอนะปาดคืนมันก็ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นแร่ธาตุที่มีคุณค่าและแข็งแกร่งที่สุดก็คือเพชรนะครับเพชรเพชรก็คือถ่านดีๆนี่เองนะครับนะที่มีองค์ประกอบทางเคมีไม่แตกต่างกันจากถ่านเลยนะครับเพชรกับถ่านนะครับแตกต่างกันก็คือแค่คาร์บอนแต่การที่ถ่านจะกลายเป็นเพชรที่มีค่ามากกว่าหลายล้านเท่านั้นต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานต้องผ่านความร้อนไม่ต่ำกว่าห้าพันองศาฟาเรนไฮน์ความกดดันมากกว่าหนึ่งล้านปอนด์ต่อตารางนิ้วและ หลายท่านอาจจะเคยฟังอาจารย์พออาจารย์ปรัมเมธที่มาเทศนานะครับว่าชีวิตของท่านพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เป็นเด็กผมบอกตรงๆเลยว่าถ้าพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เป็นเด็กผมอาจจะไม่มายืนเหมือนอาจารย์พอหรืออาจารย์ปรัมเมธที่มาเทศนาในวันนั้นนะครับและยิ่งกว่านั้นสูญเสียคุณแม่โอ้โหเป็นอะไรที่รับได้ยากมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเมื่อ พระเจ้าหล่อหลอมให้เราพร้อมจะเป็นเพชรนะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะให้พระเจ้าหล่อหลอมขณะที่เรากําลังดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเจ้านี้เราอาจจะได้รับแรงกดดันจากคนรอบข้างจากเหตุการณ์จากสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบข้างแต่ขอให้เรานั้นมีความอดทนอดกลัน้นถ้าสถานการณ์นั้นบีบบังคับให้เราท้อและหมดกําลังใจแสดงว่าชัยชนะแห่งความสําสเร็จกําลังรอเราอยู่ข้างหน้าเรากําลังจะกลายเป็นเพชรที่มีคุณค่า ด้วยความอดทนมุ่งมั่นและดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้าความรักพระเจ้าในจิตใจของเรานั้นจะถูกขัดเกลาให้เรามีคุณค่าดังเช่นพระเยซูคริสต์เจ้าของเราที่โปร่งส่งประสงค์ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรักปิิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความรักและเราจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าสิ่งใดที่ท่านทำด้วยความรักพระเจ้าจะทรงรับรองให้เกิดผลร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณและเติมล้น ด้วยความรักมาเจ้าและพึงรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะยิ่งใหญ่ได้เท่ากับความรักมาเจ้าที่ประทานผ่านทางปรีศุขิตมาถึงชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านให้รักซึ่งกันและกันโดยความรักที่มาจากพระเจ้าและสำแดงออกมาเป็นการการะทําขอพระเจ้าอวยพรครับ